79วินัยยะปุชนะกถาว่าด้วยการถามพระวินัยเรื่องถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับแต่งตั้งก่อนข้อ15ึสเดสมัยนั้นพวกชาวพกียังไม่ได้รับแั่งตั้งก็ถามพระวินัยในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปถามทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคราบสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษูยังไม่ได้รับแต่งตั้งไม่พึงถามวินัยในถ้มกลางสง์รูปใดถามต้องอาบัตรทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งถามวินัยในถ้มกลางสง์ได้วิธีแต่งตั้งเป็นผู้ถามภิกษุทั้งหลายพึงแต่งตั้งอย่างนี้ตนเองแต่งตั้งตนเองก็ได้ภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ได้อย่างไรเล่าชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองคือ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรมมวาจาแต่งตั้งตนเองท่านผู้เจริญขอสงฆรงฟังข้าพาเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพาเจ้าขอถามพระไวินัยกับท่านผู้มีชื่อนี้อย่างนี้เชื่อว่าตนเองแต่งตั้งตนเองอย่างไรเล่าชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งคือภิกษุผู้ฉลาดสามารถ เพงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่ากรรมวาจาแต่งตั้งผู้อื่นท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วขอผู้มีชื่อนี้ถามพระวินัยกับท่านผู้มีชื่อนี้อย่างนี้ชื่อว่าภิกษุรูปหนึ่งแต่งตั้งภิกษุอีกรูปหนึ่งเรื่องคุกคามจะฆ่าสมัยนั้นพวกภิกษุผู้มีศีลดีงามได้รับแต่งตั้งแล้ว